ب س م الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين و ل ا ع د و ا ن إلا ع للظالمين ى ا وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س ب د ا ن ا كأنني اكرننك قبل قط يوم صفدنا نقيسي بوك شابلا ก็จะยุดช่วงเดอรมดตอนพ้นบวชหกก็จะเริ่มนะครับจะเป็นวันไหนเดีจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกไลา์ตัฟซีรก็เป็นสมาชิกเราจะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเริ่มการหยุดเรียนโดยเฉพาะถ้านฐานนั่นนะครับพวกเราจะได้ทราบอยู่ตัวกัน และก็เตือนตัวผมและก็พี่น้องอถึงความใกล้ชิดของเ ด, ดอเรโมนตอนให้พวกเราได้มีความพร้อมในการปรากฏตัวในเ ด, ดอเรโมนตอนในตําแหน่งที่เลาสุภานวุฒาและพ่อพระไทยกับพวกเร า, เราและพยายามจับจองพื้นที่คนดีของอเราในเดอเรโมนตอนให้ได้อย่าได้ผ่านพน้นเดอเรโมนตอนโดยที่ รายชื่อของเราไม่ได้ถูกบันทึกในบรรดารายชื่อคนที่รับรางวัลจากง้อสุภาณ ห, หูตาลาอยอันนี้สิบข้อสรุปยูนสุสได้อธิบายไปแล้วเโอเวกับเรื่องการตอบแทนคนที่ทำความดีด้วยสิ่งที่ดีก็คือส่วนสวรรค์และของแถมนี้ก็คือการมองเห็นพระภาคของงสุภาณ ห, หูตาลาได้อธิบายเรงนี้ไปแล้วนะครับ 27นี้นะครับก็จะเป็นความหมายตรงข้ามเกี่ยวกับอญญายะเกี่ยวกับผู้กระทาความชั่วหรือความเลวและผลลัพธ์ของเขาในวันเกียรตาจะเป็นอย่างไรซึ่งระหว่างสองอญญายะนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันคือสาระสำคัญ เนื้อหาสาระสาคัญในกุรอ่านทั้งเล่มเลยคดีเนี้ยทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคุรอ่านก็อยู่เรื่องทำดีอายะอื่นก็ดีมีอะไรบ้างจะพูดเรื่องความดีไอ้ที่ทาดีเนี้ยคือมีอะไรบ้างก็จะพูดคนดีเนี้ยเป็นใครอ่ะพวกมุตตะีนพวกมุซนีนพวกมุมินีนพวกซอเบรีน คุณในลักษณะว่าย่งไรก็จะคุรานก็นจะพูดคุณลักษณะของกลุ่มกลุ่มคนดีเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแบบไหนอันนี้ก็จะพูดแม้กระทั่งประเภทคนดีเนี่ยมีกี่ประเภทคนที่เข่งคัดสมบูรณ์แล้วคนที่อยู่ปานกลางแล้วก็คนที่มีความบกพร่องก็มีพูด ผู้ที่เป็นหญิงเป็นชายในกลุ่มเหล่านี้ก็พูดทําความชั่วก็ได้ได้ได้ถูกตอบแทนด้วยความชั่วคนชั่วนี่มีใครบ้างพวกกาเฟรีนหมูนาฟิกีนมุบติลีนลักษณะของเขานี่เป็นยังไงและความชั่วนี่มีอะไรบ้างการกระทาอันเป็นความชั่วนี่มีอะไรบ้างซึ่งในกุตตานเนี่ย กลุ่มชนแห่งความดีก็จะถูกสถาปนาอยู่ในกลุ่มบรรดา نبي อุูลและผู้ที่ตามบรรดา ن ب รอุสุเพราะฉะนั้นกุออ่านก็จะพูดถึงนบีอุูลและก็ทั้งหลายและก็คนที่ตามนบีอุสุในฐานะที่เป็นคนดีที่จะรับรางวัลที่ดีแม้ว่ากลุ่มนั้นจะอยู่ในยุคไหนก็ตามอะไรเช่นยุคนี้ มีนบีไหมไม่มีนบีอ่ะแล้วก็เราจะจะถูกบรรจุในกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่ปฏิบัติตามบรรดาอัลลอฮฺยุคนบีมูซาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็คนที่ไม่ทันนบีมูซาแตศรัทธาในนบีมูซาในยุคนู้นนั่นก็ผู้ที่ปฏิบัติตามนบีมูซาอย่างนี้เป็นต้นคนชั่วล่ะคนชั่วนี่มีหัวโจกตัวเดียวอิบลิสและบรรดาเชตโต ศัตรูศัตรูที่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วการกระทำของอันเป็นความชั่วทั้งหลายก็มาจากตัวนี้แหละก็จะเห็นกุรานพูดถึงเนื้อหาสารานี่ก็จะอยู่ในเรื่องจึงไม่เป็นเนื้อหาสาระที่ให้เราได้มองข้ามว่าอ๋อก็เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็รู้ ทำดีก็ได้ดีทำความชั่วก็ได้ช <commentary> ั่วมันเป็นเรื่องที่มีในทุกศาสนาเนี่ยสมการเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีทุกศาสนาแต่สำหรับกุษานในเรื่องนี้ในสมการเนี่ยทำดีได้ดีก็จะมีรายละเอียดจะมีการลงรายละเอียดมากขึ้น มาตรฐานของความดีบริบทของมันซึ่งผู้ศรัทธาจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้จากอัลกุรอานให้ละเอียดที่สวนและจากสุนนะของท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมส่วนหนึ่งที่มีรายละเอียดระบุในอายะนี้ที่ได้พูดถึงคนที่ทความชั่วแล้ววันเกี่ม่าจะถูก ตอบแทนด้วยความชั่วหนึ่งในความชั่วนั้นและ น, นี่เป็นเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คื อ, อคนที่ทำความชั่วนี่ใบหน้าของเขาสีหน้าของเขาเนี่ยจะจะดำจะคําจะมืดมุนและอธิบายไปแล้วระดับหนึ่งสาหรับคนที่ทำความดีก็จะมีความสว่างใช่ไหมแลวเราได้บอกว่าความสว่างทั้ง ดุนยานี้ทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านี่มันคือความสว่างที่มาจากอัลลอฮฺสุภาหนะหัวตาละและความมืดของคนที่ทําความชั่วละ่ะความมืดที่จะขึ้นกับใบหน้าคนที่ทําความชั่วก็มาจากการที่ขาดความสว่างโดยฟิสิกส์แล้วเนี่ยความมืดนี่มันไม่ได้มีตัวตนนะความมืดนี่คือความไม่สว่างนะไม่มีไฟ นะไม่มีไฟไฟเนี่ยเราสามารถกระทำมันได้แต่ความมืดีจะกระทำมันไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนนั้นคนที่มีคนที่จะคนที่จะทําความชั่วแล้วใบหน้าของเขาจะมีความมืดทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเราจะอธิบายยังไงนะมันก็คือขาดนูดขาดรสมีของความดี และเรื่องนี้มันก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าตัวความดีเนี่ยมันมีนูรของมันจะมากจะน้อยแะแล้วแต่ความเข้มข้นของนูรแล้วแต่ความเข้มข้นของความดีความเข้มข้นของความดีเนี่ยยิ่งเยอะก็จะมีนูรเยอะจะมีรสมีเยอะความเข้มข้นของ อ, อ, อีมานของความดีนี่มันน้อย รสมีและนูรเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามนั้นแม้ว่าจะด้านคุณภาพหรือขนาดปริมาณคนที่ทำความดีปริมาณเยอะก็จะได้นูรเยอะรสมีเยอะแสงสว่างแห่งความดีนั้นนะ่ะไม่จำเป็นต้องให้มีคนได้เห็นและชื่นชมอันนี้ที่ยังไม่ได้อธิบายเขาที่แล้วนะ ความสว่างที่จะเกิดกับคนดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้คนได้เห็นได้รู้และยืนยันว่าเอาคนนี้โอ้โหนี่หน้าตามีนูรถึงจะเป็นเช่นนั้นทำไมเพราะอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าคนที่สามารถเห็นรสมีนี้เนี่ยก็คือต้องคนเฉพาะคือต้องคนที่คนที่มีความสามารถมีดวงตาที่เห็นนูรแบบนี้รสมีแบบนี้ ยกตัวอย่างนบีอยู่อยู่กับเขาอยู่กับเขาไกลๆอย่างนี้เลยยังปฏิเสธนะนูรของท่านนบีรัศมีของท่านนบีที่สามารถสร้างความสว่างกับโลกนี้พั0สียปีในที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่ท่านนบีเสียชีวิตนที่ท่านที่ทุกคนวันนี้เนี่ยก็ออยัง ยังยังได้หยิบยืมพระสมีของท่านนบีนี่มามาใช้ชีวิตอยู่นี่นะนั่นน่ะนู ر ของท่านนบีที่เรียกว่าท่านนบีนูรี่ไม่ช่ซูฟีตระกัดนะเพราะอัลลอฮ์เรียกท่านนบีกัจจักุมินัลลอฮินูรุนกิตับุนมูบินอัละมาบางท่านบอกว่าอนีนูร์วกิทับนี่ก็หมายถึงว่าอันเดียวกันก็คือคัมภีนี่มีนูร เอาละมองท่านน่นนูรว่กิต่บุญนูรคือท่านนบีเนี่ยเป็นนูรที่มายังพวกท่านว่ากิต่บุญก็คือคำภีรมีนูรที่มาจากอัลลอฮ์นี่คือท่านนบีสุลต่าละฮ์อัลเลาะห์ยุสลัมอยู่กับเขาเนี่ยทั้งกลงวันและกลางคืนยังมองไม่เห็นเลยยังปฏิเสธอยู่กับเขาท่านแต่เกิดได้ได้พิสูจน์และตรวจสอบความส์จริงความสดจากของท่านนบี สี่สิบปีก่อนที่จะเป็นนบีนะแล้วยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นสัจธรรมที่มาจากพระเจ้ามันต้องมีคนเฉพาะไงต้องมีคนเฉพาะแนละ้วต้ององมีเวลาเฉพาะอุมมารอบับนุลขตบอยู่กับทั่นนบีเกือบห้าปีเนี่ยไม่เห็นหนูแล้วยังเป็นศัตรูแรงที่สุด ถึงขานาดที่ตั้งใจจะฆ่าสังหารท่านนาบีเลยนะช่วงนั้นเรายังไม่เห็นนูดของท่านนาบีแต่พอศรัทธาแล้วอ่ะนะชีวิตชีวิตของ um này, อัมารุมนเขาต้อบนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนสะท้อนความรักต่อท่านนาบีที่ควรเป็นตัวอย่างเป็เยี่ยงอย่างสําหรับผู้ศรัทธาทุกคน แต่คนที่ได้ทำความดีแล้วสัมผัสกับคุณค่าของความดีเนี่ยเขาอาจจะได้เห็นและสัมผัสกับรสมีหรือความสว่างของความดีด้วยตัวเองก็ได้แล้วเรื่องนี้สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมถึงคนที่ทำความดีบางทีเนี่ยเขาแทบไม่ได้อะไรเลยนะทำความดีบางทีก็โดนดา่าทำความดีโดนดา่าโดนประนามความทำความดีก็มีแต่คนตหนิแต่เขาก็ยังทำอยู่ทำอยู่เพราะอะไรเพราะเขาเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเขากำลังมีความสุขในคนอื่นที่เขามองนึกไม่ออกว่ามันจะมีความสุข ยังไงนี่นี่คือรัษมีของความดีมันก็เป็นความสว่างเชิงนมามธรรมถ้าเราอธิบายไม่ได้เชิงรูปธรรมความสว่างที่ทำให้คนเห็นดีมันเป็นเรื่องดีและคนอื่นที่เขาไม่ยอมทำความดีเพราะเขาเห็นความดีมันเป็นความไม่ดีดังนั้นเป็นดวอาคุมา น, นาบลลัลลอฮุอะลัยฮซลลัมบดดิ ah um ้งอัลลอฮุมะอรินะลักกะฮักกะ โอ้โหขอให้เราได้เห็นความจริงให้เห็นว่ามันเป็นความจริงว่าอะไนั่นาที่นั่นเปาที่นั่และความเท็จเนี่ยให้พวกเราเห็นว่ามันเป็นความเท็จทำไมอะเพราะมีคนที่เขาเห็นความจริงเป็นความเท็จและเห็นความเท็จเป็นความจริงไอ้ที่เห็นเนี่มันเพราะอะไรแล้วมีปัญหามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องเว่นตาความสว่าง หลอกลวงนะความสว่างก็บา ง, งก็สามารถหลอกลวงเราก็รู้นะภาพยนตร์ภาพยนตร์และคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะมีวิศวกรเฉพาะด้านอะไรเสง้งเฉพาะเลยทำไมอะ่ะก็ดูดิเนี่ยดูดูมีมีมม มีอะไรหรูออ้ราไหมไม่มีมันก็เชยอ่ะมันก็เชยยิ่งถ้าเราย้อนหลังไปสองสามร้อยปีนะโตคูคูบาจารย์ที่เข า, าสอนตามตามมาสัสยิดตามสุเราไม่ไม่ไม่มีแอมมีไฟแบบนี้นะก็มีตะเกียงลองนึกภาพนะตะเกีย ง, ยงสักอันสองอันเพราะหาน้ำมันยากกันนะตอนนั้นนะ ถ้ามีเทียนถ้ามีอะไรก็อาจจะดีหน่อยอนะก็คงไม่ได้นั่งบนพรมแบบนี้นะครับนั่งนั่งบนกระดานไม้อย่างเดียวใช่ไหมมีข้อแตกต่างแต่ผู้ศรัทธาในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยที่เขาได้ยึดมั่นในความ จริงและกับความถูกต้องนี่เพราะความจริงตลอดตั้งแต่สมัยท่านนาบีเนี่ยอัลลอ์ได้ได้แฝงมีรัศมีอยู่ในอยู่ในความดีมาโดยตลอดโดยที่ไม่ต้องมีด n a อในตัวเราจะได้เห็นความสว่างของมันนะบางทีคนเกิดมานี่ปู่ย่าตายายเขานี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นความสว่างของศธรรม เพราะนี่มันอยู่ในฟิตรห์ธรรมชาติที่อัลลอสซุบฮฺานวะตะลาสางไว้อัลลอจะบันดาลใจมนุษย์ทุกคนเนี่ยให้มีความสามารถเห็นเห็นรัศมีแห่งความจริงและมนุษย์จะเป็นคนที่เติบโตกับความชอบของตัวเองและความชอบของคนใกล้ตัวคนในสังคมกระแสะในสังคม และความชอบของมนุษย์นี่แหละจะเป็นของตัวเองหรือของของคนในสังคมเนี่ยที่จะบิดเบือนรัศมีของความจริงให้มันดูไม่ดีในกุรานอัลลอฮ์ด้พูดในบริบทเนี้ยพูดถึงอุบายของชัยตอนหลายอายะหลายสุรเนี่ยเซียเรยคาะยุเนี่ยฟาเซียเลหุมชยตันอลมาเล ชัยตอนได้ประดับประดาการงานของเาการงานอันเป็นความชั่วนี่ประดับประดาหให้มันดูดีฉันกาลังทำดีอยู่ฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับทุกศาสนานี่เขาจะมีพธิธีที่มันเป็นการตั้งพาคีกับอัลลอฮ์ س ب ح น ن ه และก็ตุลศาสนานี่รวมถึงมุสลิมในะอิสลามด้วยนะพธิธีทางศาสนาที่เขามองว่าที่เขามองว่านี่เป็นการทำบุญ เป็นการทำบุญแต่หารู้ไหมว่า น, นี่เป็นการทำความชั่วชัดๆแต่ศาสะสะนาะอื่นเนี่ยอาจจะชัดหน่อยนะว่าทิริกแล้วก็บอกกำลังทำบุญอยู่อามุสลิมแหะทาบุญกันนะพวกที่เลี้ยงยินนะ่ะเขาก็ทำบุญแต่ถ้าภาคกลางเนี่ยเาเรียกว่าทำบุญเหมือนกันถ้าภาคใต้เนี่ยเขาเรียกว่าทนูรีนูรีนูรีหรือนูรี สำเนียงนุรีประมาณนี้นั่นอาจะประมาณนี้มีคิรอาหนึง่งนุรีนุรีนุรีรู้ไมมนุรีนี่บาสาระเน่านุรีนี่แปลว่านูรไงนูรมาจากนูร์เ <laughs> ขาทำกำลังทำนูรอยู่ป่ะ น, นี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะนี้แค่คนทำบิดา ทำอุตตริกรรมแล้วเขานึกว่ากําลังทําไอบาดาอยู่โซฟีตริกัตที่โยกกระเตกันโยกไปโยกมาเขากําลังเชื่อกําลังปลอบใจตัวเองว่านี่คือไอบาดาทำกันในเมซินนะและมีพัฒนาการด้วยมีกองเข้ามาดตอนนี้เนี่ยมีกิตาแล้วมีกิต า, ม, ตามีอะไรเนี่ยเขานึกว่านี่คือซิกิรนี่ซิกิร์ทำทำทำความดีใช่ไหมละ่ะ รัสปุตินบางสํานักับรัสปุตินเป็นบาดหลวงรัสเซียมันหลอกลวงลูกจะมาหนี่ลูกและที่ของเขาเนี่ยโดยเฉพาะสตรีเนี่ยให้ทําจินากับเขาแล้วได้บุญให้ผิดประเวณีเหแล้วเป็นบาดหลวงด้วยนะบาดหลวงเนี่ยว่าจินานี่ยแค่แตงงานนึ่ก็ บ, บาปแล้วไง และคนที่ถูกหลอกลวงเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาคือคนชั้นบนเน่ตั้งแต่ตั้งแต่ราชินีตั้งแต่ผู้นำประเทศน่ะแล้วก็คนร่ำรวยคนสศรษฐีเนี่ยบางรายนี่ถึงสามีถวายภรรยาให้เขาแล้วเขานกนี่เขาทำบุญอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าเรื่องความดีกับความชั่วเนี่ย มนุษย์เองเนี่ยเป็นคนที่บิดเบือนอัลลอฮ์ในกุฎอา่านนะจึงบอกว่ามันละไม่จาลิลลาห์ له نورا فما له من نور ผู้ใดที่อัลลอฮ์ไม่ให้เขามีนูรไม่ให้เขามีรัศมีไ ม, ม่ให้ ม, มีแสงสว่างเพราะแสงสว่างต้องมาจากอัลลอฮ์ลำพังตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถสร้างอุปโภกรัศมีแห่งความจริงกันมาเองแล้วก็ชีว่านี่คือความจริงไม่ได้เราไม่มีสถานะเนี่ยเราไม่มีเราต้องขอ รัมีแห่งความจริงมันต้องมาจากอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى มนุษย์ทุกคนทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมีความต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى ในด้านนี้อัลล์ سبحانه แะ تعالى ก็ได้ย้ำในเรื่องรัศมีเนี่ยว่าสาหรับคนที่ทาความดีเนี่ย เขาจะไม่ไม <ت رج مة writers> ่ไม่มีลักษณะของคนที่ถูกยึดรัศมีจากใบหน้าของเขาใบหน้าเขานี่ก็จะไม่ค้าไม่มืดมนและจะหักูจูหุมกัตรุวาลิลล์แต่สาหรับคนที่ทาความชั่วล่ะวันนั้นจะเสียอัติจ ز าอัติบมิ ثلهاو ทารหุมดิลล์มาลหุมในอัลลอฮ م มนอาซิม كأنما أ غ ش ي توجوهم قطعا من الليل مظلمة، ولئك أصحاب النارهم فيها خالدون. ب ร بوتي ق ن ا ق ي ت ه م ا ت م م ا ن ا ت ن ا ت ا ي ن ا م ا ي م ي ت ا م ن ي ا ن จะแย่ยเดบินิสเลียการตอบแทนก็คือความชั่วด้วยความชั่วเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันีหมายถึงว่าเช่นที่คนดีเนี่ยก็จะถูกตอบแทนด้วยความดีลิลเดียนอัหรุณพุชเนี่ยผู้กระทาความดีก็จะได้รับความดีอันนี้เขาก็เลยบอกว่าเช่นเดียวกันบินิสเลียหมายถึงว่าความชั่วต่อความชั่วคะแนนต่อคะแนนไม่มีแถม ไม่มีเทวีคูณไม่มีเพิ่มไม่เหมือนความดีความดีนี่มีแถมมีเพิ่มมีเพิ่มพูนมีคิดอย่างเทวีคูณท่านโลอลิตลซลอสเซนในบทของบุคคลหรือได้อธิบายทำความดีหนึ่งคะแนนได้กับสิบหรือมากกว่าคิดจะทำความดีตั้งใจทำความดีแล้วไม่ทำนะและไม่ได้ทำความดีนะก็ได้คะแนนหนึ่งคะแนนคิดทำความชั่วแล้วไม่ทาความชั่วก็ดได้หนึ่งคะแนน และความดีบางชนิดนี่มากกว่าการทวีคูณที่เราคาดอย่างเช่นการถือสีลอดอินละซ้มาฟาอินนาฮูริวะอันเะจิซิบีอัลลอฮฺไม่ได้แจ้งว่าจะทวีคูณแค่ไหนแต่อื่นจากการถือศีลอดนี้นะนบีบอกอัลฮัสลัตุบิอัชรอัมทัลิฮะอีลาเซบยิเฟหนึ่งคะแนนความดีได้ผลลเท่ากับสิบคะแนนหรือเจรยคะแนนอลา แสดงว่าโอกาสของคะแนนหนึ่งคะแนนความดีเนี่ยจะถูกทวีคูณเจ็ดเอ่อสิบคะแนนถึงเจ็ดร้อยคะแนนก็หมายถึงว่าสิบเท่าหรือ700เจ็ดร้อยเท่าหนึ่งแล้วก็เจ็ก็เจ็ร้อยเท่าไงเจ็ดร้อยเท่าที่อลัลลอฮฺจะแถมเนี่อัลลอฮฺแถมทวีคูณเป็นเป็นสิบเท่าเป็นร้อยรอยเท่า ที่คนเขาจะแถมให้เรานะเป็นดอกเบี้ยอย่างเงี้ย 2% อย่างเก่งที่สุดเนี่ยัยงเก่งที่สุดในกะโห 25% ย 25% 50% ดอกเบี้ยหนนี้โหดแล้วนะนี่แบบนี่แบบอัลลอฮ์จึงบอกว่ายมฮะ ا ุลลอฮฺริบะวยรบิศด قات คนที่เขาใช้รีบาด้วยกันนะนะอัลลอฮ์ะจะกวาดล้างไม่ให้มีความเพิ่มพูนเลยรีบาดเนี่ยไม่มีบราระฆาไม่มีความจําเริอนอันลลอฮ์ะจะกวาดล้างไม่มีความจําเรือนเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เพราะอะไรโลกทั้งโลกเนี่ยใช้ดอกเบีย้ยมีความจำเรือนไหม วยุบิศดะก ạt แต่สมรับศดะก ạt ที่เราได้ทํานี่นะอัลลอฮฺจะให้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยแบบทวีคูณน่ะเป็นร้อยเท่าเลยนะอิมามบุคารีนี่เป็นเป็นนักเรียนงานหะดีสและเป็นพ่อค้าและแกเดินทางไปสอนหะดีสแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะเอาส่วนที่ไปสอนหะดีสสมรคนก้าวสินค้าของสมร์คนเนี่ย ซื้อจากสวัสดิ์ก็นเนี่ยไปเมืองตาบเรียไปสอนฮัดี้ซิลแล้วก็ไปขายของด้วยชาวบ้านนี่เขาก็รู้ว่าอิมามบุคฮอรี่เป็นพ่อค้าด้วยมีอยู่เืองหนึ่งอิมามบุคฮรีนี่เข้าไปในเมืองนี้เนี่ยแกคิดจะทําบุญก็เลยตั้งใจว่าสินค้าที่เอามาขายนี่ไม่ขายละเขาจะทําบุญจะสวดิ์ก็แต่มีคนรู้ว่านี่อิมามบุคฮอรีเนี่ยเขาเอาสินค้าของดีด้วยของแบรนด์นั่น มัมบุคารีคนมีอำนาจไงสินค้าก็ต้องไม่มีโกงไงคือต้องตรงไปตรงมามากันเลยเพราะค้าในเมืองมาขายเท่าไหร่นั่นนะที่ท่านเอามานี่นี่เนี่ยเราเห็นคาราวานอยู่อยู่นอกเมืองนี่หลายอูดหลายร้อยตัวนี่สินค้ายอย่างดีเลยผมซื้อนะแต่ซื้อเท่าไหร่มัมบุคารีจะซื้อเท่าไหร่เพราะว่าท่านเรียกมาเลยจ็อบอกว่าคน ผู้ที่จะซื้อจากฉันเนี่ยเ ข, เขาให้กำไรผมสูงมากถ้าราไหร่ผมให้เลยก็ซื้อมาสิบเน่ผมให้ส2บสองอ่ะได้สองบาทน่ะนะอ่แล้วก็ท่านในเนี่ยเออผมผมให้เอาสิบห้าเลยครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ผู้ที่ข้าพเจ้าทำธุรกิจกับเขาเนี่ยเขาให้มากกว่านี้ ให้เท่าไหร่ในบอกนี่โอ้โหเให้สิบเท่าถึงเจ็ดร้อยเท่าคือเราเปรียบเทียบการทำธุรกิจกับอัลลอฮ์กับการทำธุรกิจกับมนุษย์เนี่ยมันก็แฟร์นะมันก็เขา้เขาที่เข้าทางถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราจะมีเหตุผลในการสนับสนุนตัวเราเนี่ยให้ทำความดีเยอะมากขึ้นพอมีเงินสักก้อนหนึ่งเลือกระหว่างทาบุญหรือใช้ประโยชน์กับตัวเอง ซื้อขนมหรือบริจาคไปจะซื้อขนมหรือบริจาคไปเราซื้อขนมเราได้เราได้กินอร่อยแล้วก็มีความสุขประเดียวประดาเราจะบริจาคได้เท่านั้นเท่านี้ในผมเจอเรื่องที่ยิ่งกว่านี้นะผมเคยตอนที่ที่รับบริจาคของโรฮิงญาหรือของปาเลสไตน์สักครั้งครั้งสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไปรับบริจาคทำสั่งสามจังหวัด มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุน่าจะเจ็ดสิบกว่าละ่ะเดินแบบว่าเดินแทบไม่ไหวอ่ะเขาบอกว่านี่เชคเนี่ ย, ยตังเนี่ยอใอยมาประมาณห0 0รอยหรือพันหนึ่งตังเนี่ยเป็นค่ายาที่ผมต้องซื้อยาผมจะบริจาคเนี่ยแล้วก็ยอมที่จะไม่กินยาช่วงช่วงหนึ่งอ่ะเพื่อพี่น้องของเรา อันนี้คนคนนี้เขาไม่ได้แลกเปลี่ยนด้วยความสุขนะไม่ด้วยความเจ็บปวดด้วยหมายถึง ว, ว่าเขายอมเจ็บปวดแทนพี่น้องของเขาซึ่งคนแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องมีคืาต้องมีความสํานึกระดับหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของของการสะบัดก้อนนี่การบริจาคเขาเชื่อจริงไงว่าอัลลอฮ์ตอบแทนจริงถึงยอมเจ็บไงในนั้นถ้าคนไม่เชื่อนี่เจ็บฟีอะ อ๋อจะปวดเจ็บปวดฟีรีอย่างนั้นน่ะไม่ได้อะไรเลยะเขาเชื่อแล้วเชื่อขนาดไหนอ่ะยอมที่เจ็บปวดนี่จะได้ฉันคนเกียร์มาไปรับแล้วกันผลตอบแทนนี่รับจากอัลลอฮฺสุบฮานาอวตารนะเรียกว่ามุอามัลล่าในการที่เราได้ได้มีการโต้ตอบกับอัลลอฮฺสุบฮานาอวตารและด้วย พฤติกรรมด้วยการกระทำในโลกนี้เนี่ยที่เราปฏิบัติเหมือนมนุษย์นี่นะมันสื่อถึงอีมานที่มันที่มันถึงรากฐานลึกในหัวใจเราเชื่อจริงอะ่ะเชื่อจริงถึงถึงขนาดยอมลงทุนลงมือจริงแล้วเราต้องต้องมองถึงสิ่งที่เราได้ทำโดยเฉพาะเรื่องเสียสละเนี่ยมองในเรื่องนี้แล้วก็ขอด้อาให้ ให้อัลลอฮ์ได้สร้างความจำเริญในสิ่งเหล่าเ น, นี้ละหมาดละหมาดล้วไม่ใช่ไม่ได้ว่าพอละหมาดแล้วเนี่ยก็จะก็จะมีสัญญาณโทรศัพท์มือถื อ, อมีเงินเข้าบัญชีละหมาดแล้วมีเงินเข้าบัญชีอัลลอฮ์ส่งมาอย่าี้ยกริงร๊งกริ๊งเงินเข้าละพอละหมาดเปล่าเลยเลือกที่จะใช้ชีวิตที่คนในสังคมนี่มองว่ามันประหลาด มันไม่เหมือนชาวชนที่ยอมสํารวมตัวไม่ไม่ใช้ชีวิตแบบเละเทอะพยายามให้ความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปรากฏเป็นรูปธรรมเราก็แผ่นดินมักมักกานี่ตูฮรุลฮารัมเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินฮารอมแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แต่มันดูจงนำมานำมารำหน่อย แต่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อไงมางคนเนี่ไปมัสยิดฮารอมหรือไปมีนาอาราฟามันเป็นดินฮารอมทั้งนั้นน่ะแต่บางทีมันสกปุกแล้วก็มึงศักดิ์สิทธิ์ยังไงอย่างมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไงแต่เราสามารถสร้างความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้เป็นรูปธรรมเยาวชนผู้หญิงผู้ชายไม่ทำซีนาไม่ไม่ไม่ไม่ทำบาปไม่กินเหล้าไม่เสพยาไม่นี่นี่คือความบริสุทธิ์จริง และสังคมก็จะมองว่านี่คือความแปลกประหลาดความแปลกประหลาดอยู่ผู้ชายไม่มีแฟนอ่ะไ ม, ม่แฟนอไม่คุยกับผู้หญิงก่ะอ๋อแล้วผู้หญิงคุยก็ต้องก็ต้องเป็นคนที่จะเป็นว่าที่ภรรยายแต่คุยอย่างเงี้ยคุยแบบแบบสเปซสปะเนี่ยคุยคุยจะได้แบบว่าสนุกสนานนี่นี่ไม่ได้ สร้างความศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นรูปธปรรมแบบนี้เนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่เราต้องต้องพยายามภูมิใจว่าถ้าเราทำได้นะและในมิติต่างๆด้วยไม่เฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องระบบแฟนและเรื่องอื่นๆด้วยรักษาเวลาละหมา ด, ดละหมาดตรงเวลาทำไมมีเจ้านายือนอยู่ข้างเรานี่อคอ ย, อยไม่ละหมาดเดหนนะ้หักนู่นนะหักนี่นะป้ามันเป็นเรื่องความเชื่อทั้งนั้นน่ะ ละหมาตรงเวลานี่เพราะเรากลัวทุหันเนะ่ยกลัวหรอละหมาตรงเวลานี่เพราะเราริ่มีความประเสริฐมีผ ล, ลบุญมหาศาลไ ม, ม่มีใครบังคับอะไรเลยไปละหมาดจานาซ่าอย่างเงี้ยแจกซองก็ไม่เอาเคยไปละหมาดยานาซ่าที่เขาแจกซองบังเคยไปใช่ไหมไปมแล้วรับซองวะเขาจะยืนหน้าประตูนี่นะกับบางคนก็รับบางคนก็ไม่รับ ไอคนนี่ไม่รับเนี่ยทำไมอ่ะบางทีเนี่ซองหนึ่งมีห้าร้ยมีสองรอทําไมลําอ่ะอย่างน้อยนี่ก็ไปกินฉบูสักมื้อ น, นึงแล้วมาจนาซ ا แล้วก็ไปกินฉบูก็ได้ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยไม่ดิพราะเรามองว่าผลบุญบูเขาอุภุดเนี่ยที่เราต้องการนี่ยนะเทียบแล้วก็สองร้บาทดิถึยสองร้บาทกับบุเขาอุหุด น, นะนะก็ถือว่าเราเล็ก เพราะถ้ารับมาแล้วอะนะคืออะไรถ้ารับมาเรื่องก็เท่ากับเอาปรมาณูเนีน่ยมาระเบิดโอ้เนี่ยหายไปเลยไม่มีเลยผลบุญโอ้โหนี่จบไปเลยถึงเราบอกพี่เลี้ยงที่เขาก็ยังแจกนะโอ้ยันกล้าทําลายบุคคลโอ้โหเนี่ไปกี่พันลูกนี่ยนะชาวบ้านนี่เขามาละหมาดจะให้เนี่ยก็แจกแจกแจก็กเท่ากับระเบิดโอ้โเนี่ยระเบิดระเบิด อะไรที่มันเป็นนามมาทำมาในในมุมมองของชาวบ้านน่ะนะสาหรับผู้ศรัทธาเองเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่เราตระหนักจริงแล้วก็มีความเชื่อจริงแล้วก็ทําจริงด้วยลงมือทําจริงด้วยแต่สําหรับความชั่วนี่นะไม่ได้มีทวีคูณและนั่นแสดงถึงความยุติธรรมและความใจบุญของอัลลอฮฺสุบฮานาห์อัลเจเจอุสเยตินบิมิสลฮะบิมิสลฮะความช่วก็คือความชั่ว เท่ากันไม่ใช่ว่าทําความชั่วแล้วก็คิดแบบทวีคูณนะไม่ไม่ใช่แต่ข้อแตกต่างคนทําความดีก็จะหน้าตาจะไม่มีความอับอายุไม่มีความหมองคล้ำแต่สำหรับคนที่ทําความชั่วตะระหูหุมลิล่ะความจำต้อยจะปกคุมพวกเขา ترهقهم ذل الحسن البصري ديفودين بدني. ثم يبيوك. قالوا: وإن ر ك ض ت بهم البغال أو هملجد بهم ا ل ب ر ا ذ ي ن ذل المعصية في وجوههم أبا الله إلا أن يذل م ن ع ص ى ถึงแม้ว่าเขาจะขี่ม้ากันขี่อูดกันขี่พาหนะที่มันหรูหราหรือแต่ก่อนนู้นเนะ่ยชาวบ้านนะ่ยใครมีพาหนะนี่ก็คือคนรวยก็เหมือนปัจจุบันนะ่ยใครมีรถนี่ก็มีฐานะไงนะถ้าไม่มีความสามารถซื้อรถที่ก็นั่งรถเมี่ใช่ไหมนี่ฮัสันมัสลิบบอกว่ามี่ไงค น, คนรวยที่เขาคนรวยที่เขาทาความชั่วนะถึงจะขี่ม้ากันขี่พาหนะอย่างหรูหรา แต่ความชั่วรุนรุนมาเสี้ยนี่ความอระยุศแห่งความชั่นี่มันปรากฏที่ใบหน้าของเขาเพราะเลาไม่ยอมจำต้องให้ความอระยุศของความชั่นี่ได้เป็นสนัญลักษณ์ของของคนที่ฝ่าฝืนคนที่ทำความชั่วซึ่งความอระยุศของความชั่วมันจะปรากฏกับ คนไม่มีฐานะเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องอธิบายเพราะเป็นเรื่องที่สร้างภาพลวงสำหรับคนยุคในสังคมและทำให้คนเนี่ยหลงประเด็นในเรื่องนี้คนเขาเวลาจะจะตรวจสอบสถานะใครนี่เขาจะตรวจสอบเรื่องภายนอกเรื่องัดถุอย่างเดียวดูหน้าตาเขานี่โอ้หน้าตาสดใสนี่เขาใช้ครีมอย่างแพงเลยนะโลชั่นยังยัง ยังสุดๆแล้วนะดูดิหน้าดิเกดเด้งเด้งหน้าเด้งเหมือนหมดิบดิโเด้งปะหน้าดูหน้าดิแล้วก็ดูเขาแต่งตัวยังไงไหนอ่ะอพยพอย่าง ไ, ไหอ่ะอพยพอย่า ง, งเรานี่แหละไม่มีโลชั่นจะทาหนา้าสบู่ยังไม่มีจะล้างเลยเนี่ยดูหน้านี่ค้ำยังไงดูนี่เลอะทังดูดิดูดิหนะ้าตาสะอาดยังไงอ่ะคนเขาบางทีคนเขามองอย่างนี้นะ ความสว่างความสะอาดตามมาตรฐานมาตรฐานของวัตถุเนี่ยอันนี้ที่มันจะชี้ถึงชี้ถึงความสุขสบายหรือหรือความสูงสง่งแล้วมันกลายเป็นมาตรฐานของความสวยงามและความดีด้วยถ้าคนมาขอลูกสาวเราเนี่ยดู ดูหน้าตาเขาดูหน้าตายัางไงดูดิฟันเขาดีไหมฟันเขาไปไปทาฟันัหมฟันสว ย, มยหมอ่ะดีนี้เขาดูนะดูจมูกดิจมูกจมูกแท้หรือสัญญกรรมพรเดต๋วนี้หลอกลวงเยอะไงมาถ้าไหนเนี่ยโอสัญญกรรมทั้งนั้นน่ะ ดูสิเขานั่งรถอะไรมาถึงขนาดที่บางครอบครัวนี่พอมานี่ไม่คุยไม่คุยกับว่าที่นะคุยกับพ่อแม่นี่มีที่ดินกี่ไร่มีที่ดินกี่ไร่อ๋เป็นลูกใครอ่ะเป็นคนที่ไหนอ่ะอ๋อมีทำธุรกิจอะไรอ่ะรายได้มาจากไหนอ่ะอันนี้แท้จริงแล้ว ถ้าคนดีเนี่ยเขาจะไม่ไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นมาเป็นมาตรฐานตรวจสอบความเหมาะหรือไม่เหมาะของว่าที่จเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนที่จะคนที่จะเอาลูกเรานี่มาเป็นคู่ครองอนะะถ้าจะเอาเรื่องสตังเรื่องวัตถุนี่มาเป็นมาตรฐานนี่จบเลยจบเลยนะครับและบางทีนี่สถานะด้านการเงินเนี่ยมันกดหมดเลยนะ ขอให้ไม่สวยขอให้ไม่รอไม่เป็นไรอ่อตัวเลขในบัญชีเนี่ยนี่มันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวชี้วัดของจริงอันนี้ของจริงถ้าไม่หลอไม่สวยไม่เป็นไรไเป็รดูตัวนี้นี่ตัวเลขรวยไหมดูอีห้อนาฬิกาดิดูอีห้อนาฬิกาบังอีอนาฬิก า, า, ออรกาจริงไหมละ่ะ ล่าสุดนี่น ะ, ะประธานในดีชั่วคราวของซีเรียอูฮัมมัดอัลจลูเลเขาได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ดังที่อเมริกาหนังสือพิมพ์หนึง่งนักวิเคราะห์นี่ไม่ได้วิเคราะห์สาระอะไรเลยที่เขาพูดที่เขาพูดถึงเรื่องประวัติของตระกูลอัลอาซั์ที่เขาทำลายประเทศชาติ แล้วกับประชาชนที่เขาลุกมาต่อสู้เขาพยายามอธิบายไงว่าเนี่ยความชอบที่ประชาชนต้องล้มระบบของระบบของอลอันเซนนี่เพราะอะไรไม่วิเคราอะไรเรื่องนี้เนี่ยวิเคราะห์ว่าตอนนี้เขาพูดเนี่ยเขาสวมนาฬิกามีมูลค่าแปดหมื่นดอลลาร์ผมนี่ตกใจเหมือนกัน <laughs> แปดหมื่นดอลลาร์นี่มาสู้บ้านเราไม่ได้เนะสู้บานเราไม่ได้เลย บ้านแล้วนี่มันปนมือนยี่อะไรนกอะไรแสดงว่านคนเขาเขาาเามองเรื่องนี้ไงโดยเฉพาะจะบอกว่าคนที่จะต้องเป็นคนสาธารณะอย่างเงี้ยเขาต้องดูถึงพวกนี้นี่เวลาเขาสวมอะไรที่มันต้องพิสูจน์ตรวจสอบได้ว่าเป็นของแพงแต่ที น, นี้เราก็เห็นกันในในโซเชียลนี่ พอมาเมื่อไรแล้วก็อามีไอ้พวกนักนักสืบบ้านะนาฬิกานี่มีมูลค่าเท่านี้ไอเสื้อตัวนี้นี่ล้วแซบ้าเขาขายสองหมื่นไอ้กางเกงตัวนี้เนี่ยอ้นี่ถุงเท้ามันยังหาราคากันได้เลยถุงเท้าอันนี่คขาดจะมายิงกางเกงในอะไรพวกนี้จะไปหาราคากันยังไงแต่มันก็ต้องแพงอ่ละถ้า ม, มันเป็นมันเป็นมาตรฐานวัดน่ะคนดีไม่ดีน่าสนใจไม่น่าสนใจในเรื่องนี้ จะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนเป็นคู่ครองเป็นสามีเป็นภรรยาของเราหรือไม่เป็นถ้ามันอยู่ตรงนี้แสดงว่าดวงตาของเรามาตรฐานของเราในการมองความดีนะมันก็ยังอยู่ที่วัตถุมันอยู่ที่ในสิ่งที่สัมผัสได้สัมผัสได้มันพิสูจน์ได้จริงไงนาฬิกาเนี่ยมันพิสูจน์ได้เนี่ยมันของแพงเลขบัญชีในธนาคารเนี่ยมันพิสูจน์ได้ไงว่ า, วาคุณครอบครองจริงหรือไม่ แต่ความศรัทธาคุณธรรมมารยาทของพวกนี้นี่มันสัมผัสไม่ได้มันจับไม่ได้แต่คนที่มีจิตวิญญาณน่ะเขาสัมผัสได้เขาจับได้พอที่จะรู้ถึงแม้ว่านี่ข้าสนบัสริถึงแมว้แมว่าตะกอนโนนเขาบอกว่าขี่มากถ้าเราก็ถึงแม้ว่านั่งเบนมาสวมนาฬิกาอะไรแค่ไหนเนี่ยพอที่จะรู้ว่าหมอเนี่ยเขาละหมาดหรือไม่ละหมาด เขามีอิมารหรือไม่มีอิมาเขาเป็นคนอดทนหรือเปล่าเราต้องการเราต้องการคนอดทนขอให้ร่ำรวยจะต้องอดทนร่ำรวยไม่มีปัญหานะใครจะเป็นคนรวยนี่มีปัญหาเลยนะแต่คนรวยนี่ยถ้าหากว่าวันดีคืนดีเนี่ยจนเนะ่ยจะจะยังไงอะ่ะจะเป็นแบบไหนอะ่ะแต่คนรวยวันนึงล้มละลายเกลี้ยงหมดเลยไม่มีเลยซากบัตรจะทำเนี่ยจะเป็นแบบไหน เราก็เคยเห็นเนี่ยพอเศรษฐกิจบ้านเมืองล่มแล้วก็ล้มลายลายกันเป็นแถวเนี่ยไอ้พวกนี้นะไอ้พวกรวยรวยยุทธกร น, นู้นะไปอ้วนชาวบ้านนะา่ยเขารวยขึน้นเยะสุดท้ายนี่กระโดดตึกคิดสันกระโดดตึกเลยทําไมอ่ะเป็นนี่เป็นนี่เป็นพันลาน้านกูจะใช้มาอะไรก็ไดไม่มีความอดทนแล้วจะอยู่กันได้อ่ะความอดทนความหนักแน่นเนี่ย โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์พูดหลักผู้ใหญ่ผมว่าแนะนาเยาวชนตล อ, อดนะบางทีเนี่ยเราไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่ในหลายเรื่องพ่อแม่นี่ยบางทีเยาวชนนี่จะมองว่าพ่อแม่เขาจะมีอคติเขาไม่ตั้งใจมีอคติแต่เนื่องจากว่าเขาเกิดเราเกิดเราเป็นเราเป็นจีแซกไงเรา เ, เราเร า, เรารุ่นรุ่นรุ่นหลังเขารุ่นก่อนนี่มันคนละรุ่นกันมันก็ต้องคิดกันคนละแบบใช่ ไม่ได้มีอาคติโดยตั้งใจแต่มันจะคิดเหมือนกันไม่ได้อาจจะจริงแต่ปฏิเสธไม่ได้อันนี้มันเป็นด้านฟิสิกส์นะปฏิเสธไม่ได้อายุเขานี่มากกว่าอายุเราเขานี่ห้าสิบหกสิบเรานี่เพิ่งยี่สิบยี่สิบห้าแสดงว่าเขาใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยมากกว่าเราโดยฟิสิกส์แน่นอนเขาต้องมีประสบการณ์มากกว่าเราแน่นอนถ้าเราผ่านคนมา หนึ่งมื่นคนเขาผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านแล้วถ้าเราเจอปัญหาสักหนึ่งร้อยปัญหาเขาเจอมาแล้วเป็นพันปัญหาแล้วพอเขาดูคนดูคนเนี่ยเขาจะบางทีนี่บางทีน่ะผู้ชายอยากได้ผู้หญิงคนนี้พ่อแม่ก็บอกว่าอย่าเลยอ๋อก็พ่อแม่ไม่ชอบพ่อแม่เขาใช่ไหมพ่อ พ่อไม่ชอบคนนูน้นคนนี้ใช่ไหมก็เลยไม่เอาเขาใช่ไหมก็ไม่รู้ลหละแต่คนนี้ละยาเลยดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเหมาะทำไมอ่ะพ่อแม่นี่รู้ลูกรู้ลูกเนี่ยพอเลี้ยงมัน ก, กับมือไงแล้วอ่ะนี่คนนี้สำหรับคุณน่ะไม่เหมาะ ก, กันหรอกมันไม่อยู่อยูไ่ได้หรอกเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อพ่อแม่อยู่กันไม่ได้เนี่ยเอาไม่เอาฉันเอาคนนี้แล้วพ่อแม่จะแต่งเองไะ หนูจะแต่งเองนี่ไม่ใชพ่อแม่จะเป็นจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเราจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนมากก็จะพูดกับพ่อแม่เลยไครจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งสุดท้ายนี่พ่อแม่ก็ต้องยอมใช่ไหมเพราะ generation s e นี่ต้องยอมต้องยอมเพื่อแตอย่ยอมแต่เดี๋ยวนี้ยอมเนี่ยให้เขาเรียนรู้โดยตัวเองหนงสัปดาห์นี่ยากกัน ไม่อยากกันก็คือเจอของจริงแล้วเนี่ยโอ้ะทนทนไปทำไมอะ่ะเสียหน้ากับพ่อแม่กับพ่อแม่บอกก็บอกก็ไม่ได้หรอกเออเจอจริงแมันไม่ได้แต่ทำยังไง อ, อ่ะถ้ากลับไปบอกก็อ๋อพ่อแม่พูดจริงเสียหน้าอีกยอมยอมอะไรยอมเสียเวลา <laughs> จะได้ไม่เสียหน้าการสัมผัสแล้วก็เห็น ความดีหรือความชั่วนี่อาจจะไม่ได้ปรากฏเป็นพฤติกรรมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเขาสูบบุหรี่หรือไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาทําความชั่วแต่ผู้ใหญ่นี่ยเขาจะเขาจะมองแล้วก็รู้ว่าโอ้คนคนนี้ไม่มีนู่คนนี้ไม่มีรัศมีของคุณธรรมและเรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิมนะไม่มุสลิมการศาสนาอิสลามที่มีประสบการณ์เนี่ยพอดอูหน้าเนี่ยขเขาเขจะรู้เนี่ยออย่างี้ ธรรมะธรมโมอันนี้เขาเขามีคุณธรรมคนนี้เขาเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีนะลกูกคนนี้ผู้จาดีอะไรางทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าความชั่วนี่มันจะถูกหมายหัวพวกเราจึงเป็นสัญลักษณ์สำหรับสาธารณชนที่เขามีดวงตามองเห็นความชั่วได้ ในโลกนี้กสําหรับผู้ศรัทธานี่ก็จะมองเห็นชัดนะเรื่องความชั่วนี่เอา้าแต่บางทีนี่ความาความชั่วทำความชั่วอย่างผมอย็เนี้ยทำความชั่ ว, นน ว, วแต่เราไม่เห็นแล้วไม่เห็นมีสั ญ, ญลักษณ์ของความชั่นะ่ะอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะก็คือ ala, อัลลอสุภาห์นบอฺละอาจจะต้องการปกปิดความชั่วของบางคนถึงผมบอกว่า สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยสำหรับผมมา น, นะผู้ศรัทธานี่จะมีเนียมาที่ยิ่งใหญ่ที่เทียบอะไรไม่ได้กับเนียมาเนี่ยก็คือการที่อัลลอฮฺปกปิดความชั่วของเขาในโลกนี้ถ้าอัลลอฮฺไม่ปกปิดความชั่วของเขาในโลกนี้เนี่ยเป็นสัญญาณดีว่าวันเกียร์มาเนี่ยอัลลอฮฺก็จะปกปิดความชั่วไม่ให้ผู้คนในวันเกียร์มาได้เห็นด้วย แต่นี่ไม่ใช่สาหรับทุกคนนะเอา อ, อย่างนั้นผู้ศรัทธาไปทําความชั่วสบายแลยเดี๋ยวอัลลอฮ์ปกปิดให้อัลลอฮ์ะจะไม่ปกปิดสําหรับทุกคนมันต้องมีคุณสมบัติบางอย่างสําหรับคนที่ทําความชั่วที่จะให้อัลลอฮ์สุภาณอวตารละโปรดรานเขาไม่ไม่เปิดเผยไม่ไม่แฉความชั่วของเขาที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาจะต้องสํานึกหมายถึงกาทําความชั่วและสํานึก ทำความช่และต่วตัวทความชั่วแล้วก็พยายามลบล้างเพราะการลบล้างความชั่วมีผลทันทีในโลกนี้มีผลทันทีอัลลอฮบอกว่านีุณอ่านอินนัลฮัซานาตยูดฮิบเนสซียตท้าริ้งความดีนั้นยอมลบล้างยูฮิบนะลบล้างความชั่วลบเลยนะ ลบเลยลบเมื่อไหร่ล่ะเรามีโอกาสนะครับหกชั่วโมงตามฮะดีสบทหนึ่งเช่นอัลเบนีบอกว่าเป็นหะดีสฮัสันมาเลก้าที่บันทึกความชั่วกับมาเลก้าที่บันทึกความดีผู้ศรัทธาที่ทําความชั่วโดยเฉพาะทําไมตั้งใจหรือพลาดไปมาเลก้าแห่งความดีเนี่ยจะเตือนมาเลก้าแห่งความชั่วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งจด เดี๋ยวอย่าเพิ่งจดความชั่วคือถ้าจดแล้วนี่มันก็จะเป็นความชั่วไงเดี๋ยวอย่าเพิ่งจดรอดูว่าเขาจะเต้าบัด ต, ตัวหรือเปล่าถ้าเขาเตาบัด ต, ตัวแล้วนี่นะในระยะเวลาในหะดีษบอกว่าหกชั่วโมงแต่ในในตัวบทเนี่ยกูอานละฮะดีษเนี่ยคําว่าซา่าเนี่ยหรือชั่วโมงนี่ไม่ได้หมายถึงว่าหกสินาทีนะหกชั่วโมงนี่ก็คือช่วงหนึ่งประมาณเท่าไรแล้วลก็คือเยอะละอาจจะครึ่งวันก็ได้หรือสิบห ก, ก 12, 12, ชั่วโมงก็ได้ ถ้าเตาบัตรตัวในช่วงนั้นนะนะคือมาเลก้ก็จะไม่บันทึกเลยก็เสมือนว่าความชื่อนี้มันไม่เกิดอ่ะมันไม่เกิดนะมันสูญพันธุ์ไปอะ่ะอันนี้ขั้นแรกนะแต่ซุสโซมุโดยังไม่เตาบัตรตั ว, ตวแล้วก็มาเลก็าแห่งที่บันทึกความเชื่อบันทึกไปแล้วว่าเป็นความชั่อเราก็ยังมีโอกาสที่จะทําความดีเพียงพอสามารถลบล้างความชื่อในอัลลอฮฺอินนัลฮัสซานัติยูดีฮิบเนสซีย อาจจะแบบนี้คนที่คอยเขาได้กัอะไรเป็นคำหยาบหน่อยเช็ดขี้ตัวเองอ่ะความสกปรกที่ตัวเองทำไว้นี่เช็ดซะทำความสะอาดซะทำไมอ่ะเพราะใครเลอะละ่ะใครที่ทำเลอะอก็คือเราเองอ่ะถ้าจะตํานิเราเองในเวลทวาทาคำชั่วนี่น่ารก็เช็ดซะเช็ดซะ ต, ตัว ไปอับนิละมาดซะไปละมาดเตาบัดตัวอิสร์เฟอร์เยอะไปทําบุญสำนึกผิดอนเตาบัดตัวนี่ก็คือสัญญาใจกับอัลลอ์นี่ว่าจะจะพยายามไม่ทําอีกแล้วทําแบบนี้ทุกครั้งที่ทําความชั่วนี่นั่นอโอกาสดีที่อัลลอฮ์ س ب าะเตาปกปิดวันแก่มาหนี่ที่ทำนบีอะดีสั่นบีได้เล่าเรื่องนี้นี่บอกว่าอัลลอฮ์จะเรียกผู้ศรัทธาคนหนึ่ง และถามว่านี่ความชื่นี่เองทาไม่ทำรู้รู้ว่าตัวเองทำเนี่ยทำไหมทำทำสารภาพ Allah ajazatartuha alayka fit dunya wa ana asturuhu alayka l i y يوم القيامة ข้าได้ปกปิดแล้วสาหรับเจ้าในโลกดุนยาที้ความชื่อปกปิดแล้วและวันนี้ในวันเกียรม่านนี่ข้าก็จะปกปิดเช่นเดียวกันถึงบอกว่าถ้าในโลกนี้เนี่ย บันปลายชีวิตเราเนี่ยเราทำแบบบาปไปเยอะเราเราปกปิดไม่มีใครรู้เอเลาปกปิดไม่มีใครรู้จนบั่นปลายชีวิตเนี่ยนี่สแสดงว่าอาลัลลอฮ์นี่อลัลลอ์นี่ต้องการตอบแทนเราอย่างดีวันเกียรมานี่ก็จะเป็นเช่นนั้นถ้ารู้กันแบบนี้ก็สแสดงว่าคนที่ทำความชั่วแล้วก็ไปโอ้อวดนั่นนะอันนั้นคนนี้นะอดคนนี้เนะนี่ยนะไม่ได้ เรียกว่าสถานะคนที่จะถูกปกปิดหรือคนที่จะถูกถูกปปอดปรานนะ่ะนะงดนบีน บ, บอกว่าคุณอ um ุมมตีมัวฟาอิะอัลมูเจฮีรีนประชาชาติของชันเ น, นี่ยทุกคนเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยคือการถูกลงโทษนะจะปลอดภัยยกเว้นอ ah ัลมูเจฮีรนมูจาฮีรีนไม่ใช่มูจา ฮีดีนจะได้ไม่สับสนมุเจฮิรีนตัวรอมุเจฮิดีนตัวดันมุเอัลมุเจฮิรีนเนี่คือคนที่เปิดเผยความชั่วของตัวเองโอ้อวดเฮ้ยเอ็นรู้เปล่าเมื่อคืนกูไปไหนมามามามาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนาบีบอกนบีพูดแบบนี้แหละ กลางคืนทําความผิดอัลลอฮฺปกปิดตื่นเช้านี่นะยะยะติกุซิตรอ Allah อะไรม่านที่อัลลอฮฺได้ปิดความชั่วเนี่เปิดม่านมาดูแล้วมาดูเลยมาเลยมาเลยมาเลยมารู้มาให้มารู้มารู้บ้างว่ากูทำความชั่วขนาดไหนนี่ยะติกุซิตรอ Allah อะไรอันนี้อดไม่จะรับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และความอับปยที่จะปรากฏกับใบหน้าของเขานี่ก็การที่เขาได้เปิดเผยความชั่วของตัวเองเพราะตัวความชั่วนี่มันมีความอับปยในตัวตัวความชั่วมันมีความอับปยในตัวการกินดอกเบี้ยการทำจินา่าการขโมยรักทรัพย์การกินสิ่งมึนเมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความอับปยในตัว ้ามุสลิมได้สซีมซับผู้ศรัทธาได้สซมซับว่าทาความชั่วทุกครั้งนี่เท่ากับกำลังเสริมอัปยศกับตัวเองกำลังสร้างความอับอายกับตัวเองและที่สำคัญนะครับอายมนุษย์เนี่ยอันมีสัญชาตญาณอายมนุษย์นะสัญชาตญาณทุกคนนี่อายมนุษย์แต่อายพระเจ้าเนี่ยอันนี้คือความศรัทธา ไม่เห็นพระเจ้าแต่อายพระเจ้าเกณฑใจอัลลอฮ์มากกว่าเกณฑใจมนุษย์แต่เกณฑใจมนุษย์อย่างเดียวไม่เกณฑใจอัลลอฮ์เลยนะนะมุนาฟิกจะเสียฟูนะมิในนาซวะลาเสียฟูนมินอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกลักษณะของวกมุนาฟิกเนี่ยเขาจะแอบมนุษย์แต่ไม่ไม่แอบอัลลอฮ์หมายถึงว่าอย่าให้มนุษย์ได้เห็นแต่รู้วอัลลอฮ์เห็นไม่เป็นไรนะลักษณะของมุนาฟิก คุณต้องซืมซัพว่าความชั่วนี่มันมีความอภัยโทของมันอยู่ในตัวความชั่วอยู่ในตัวความชั่วประเด็นอยู่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถสร้างมาตรฐานนี้ในกฎเกณฑ์ของมนุษย์เราทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยเรากลัวมากยิ่งจะมีก้องงจรปิดใช่ไหมอภัยโทษเลย ยิ่งถ้าออกช้องสามอ่ะต้องมาใส่หน้ากวางแล้วก็ใส่บวกละแล้วอ้ายไงไ อ, อชาวบ้านมันสัญชาติไท ย, ยอยู่แล้วไ อ, อชาวบ้านไ อ, อชาวบ้านกลัวกฎหมายถ้ากฎหมายแล้วก็ขึ้นสามละตำรวจเอามาเลยกล้องวงจรนี่นีนี่ น, น, นี่ท่านใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยท่านใช่ไหมใครเคย โดนไอ้เน <laughs> <laughs> <arto> <and 93> <discourse> ี่ยไอ้ผิดกฎจราจรนะที่มันมีที่มันมาถึงบ้านนึกภาพในวันเกีมานี่มันจะเป็นยังไงเออภาพก่อนกระทาผิดภาพขณะกระทาผิดแล้วก็ภาพหลังกระทาผิดแล้วก็มีทะเบียนชัดและทะเบียนรถชัดเลยแบบไม่ต้อง ไม่ต้องยังเลสงสัยอะไรเลยนี่รถกูไ ม, ถไม่เชื่จะไม่เถียงอะไรเถียงไม่ขึ้นหรอกเหรวันเกียร ม, ม่านี่จะเป็นจะเป็นแบบนี้ไงใครจะกล้าปฏิเสธละ่ะคนนี่กล้าปฏิเสธเนี่ย Allah แฉให้เห็นเลยเนี่ยภาพแฉให้เห็นเลยว่าทาอะ ไ, ไรมาอะ ไ, ไรมายัางไงทําอะไรมายังไงมาถ้าไม่เอาพยานเป็นใครนี่เอาตัวเองมาเป็นพยานให้มือพูดเองให้ขาพูดขาของตัวเองนี่จะพูดเองเราเห็นกันเนี่ยวันเกร ม, มานสารเปิดไง สารนี่ทุกคนเห็นน่ะคนนี่ไม่เกี่ยวข้องอ๋อนู่นน่ะยุคของนบีมูซานบีสุลมยน ا ن ใครแต่ใครเนี่ยถูกตัดสินต่อหน้าต่อตาเราเนก็เห็น่ยใครจะกล้าปฏิเสธล่ะมนุษย์สามารถสร้างมาตรฐานนี้ด้วยกฎด้วยกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับการบังคับกฎหมายใช้กันเองอนะนะจนทำให้คนเนี่ยเกรงใจเกรงกลัวกฎหมายเกรงกลัว คนที่บังคับใช้กฎหมายเราจึงกลัวตำรวจกลัวอายการกลัวศาลทำไมอ่ะเพราะเขามีกฎหมายในมือและมาตรฐานนี้มีทั้งหมดเลยนะมันก็จะเกิดขึ้นในวันเกีย่ยวมาฉะนั้นเรานี่เกรงกลัวมนุษย์เนี่ยเพราะมันมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ แต่สารวันเกียวมะอายการวันเกียวมะมาเลยกะที่จะลงทโทแจ่เป็นยามนรกที่จะลงโทษเราในวันเกียวมะเนี่ยถ้าให้เป็นศัตธรรมมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของความศรัทธาในสิ่งเหล่านี้ในในหัวใจของเราเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคนดีละเลยทำความชั่วอย่างกล้าหานกล้าท้าท า, ทาย ถ้าทายมนุษย์นะในการทำความชั่วที่เอามาห้ามนะเพราะอะไรเพราะกฎหมายบอกว่าไม่ผิดกฎหมายจึงทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายทั้งนั้นี้มันผิดละการศาสนานะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่น่ากลัวไงอ๋อลูกอ่านล่ะแล้วก็คำสั่งสอนของศาสนานะ่ะอ๋อนะความเชื่อไงความเชื่อจึงต้องฝึกฝนกันนะครับเรื่องนี้ ฝนสั่งสอนลูกหลานเราอ่ะกลัวกฎหมายมนุษย์ไม่กลัวกฎหมายของพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องปลุกฟังทําได้ไงอ่ะกลัวมนุษย์ไม่กลัวเนาะกลัวกระบวนการที่มนุษย์เล่นงานมนุษย์กันเองเนี่ยแต่ศาลของวันเกียร์มาที่ทุกคนเนี่ยจะต้องยืนต่อหน้าพระรวจนะเนี่ยเราจะไม่เกรงกลัวกันเลยเหรือยุคสารภาเนี่ยเวลาเขาจะเตือนใครนี่ เขาจะใช้คำาอิท์สามีอธิบดระยานี่ผระยนก็ะบอกอิทธิลล์ต้องยึมเกรงอัลลอฮ์นะแต่ตอนนี้นะฮะเดีฟังนะคือมันก็อันดีกันนะอันดีกันเลยอิทธิคิลล์หมายถึงว่าอัลลอฮ์นท่ดูสัญชาตฟังอัลลอฮ์นะเธอเธอกลัวอัลลอฮ์นี่ก็ต้องระวังไม่แ่ทำบาปนะ แต่แบบมนุษย์มนุษย์ใช้กฎเกณนมนุษย์นะ่ยระวังนะเดี๋ยวฟ้องนะอย่าทำอะไรเลอะเทอะนะเดี๋ยวโดนฟ้องนะแต่คนนี้กลัวกฎหมายนี่กลัวแน่นอนกลัวแน่นอนและนี่คือสิ่งที่มันทํำลายระบบคุณธรรมอย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งองค์กรศาสนานี่กรรมการมัร่นใจองค์กรศาสนานี่เวลานะ ผิดกฎหมายปะผิดระเบียบอะไรปะเราแอนกันกลัวกันมันก็น่ากลัวนั่นแหละกลัวมันน่ากลัวจริงว่าโดนทีนึงก็มีติดคุกมีค่าปรับอะไรเขาสร้างระบบที่ทําให้คนกลัวถึงแม้ว่ามันมีเหตุผลที่จะกลัวเพราะมันมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงนะแต่เราไม่เชื่อว่าวันเกียมาหนี่ค่าปรับหรือการลงโทษนี่มันก็สาหัสมันกันนะแล้วมันเป็นความจริงอะเราไม่เชื่อกันหรือ แล้มาเทียบกันแล้วอ่ะนะสุดท้ายนี่มันจะไปต้องไปลงที่อีหมานะความศรัทธาของเราใครจะแน่กว่าใครอะ่ะจริงต้องมาตรวจสอบแล้วเราจะบำรุงอีหมานของเราเนี่ยให้มีความเชื่อมั่นในในคำสั่นสอนของพระเจ้านี่มากกว่าของมนุษย์นี่ยังไงของมนุษย์นี่ไม่ต้องเสริมความศรัทธาหรอกเพราะมันสัมผัสไงทําแบบนี้มีข่าปรับโทษนี่ทำแบบนี้ติดคุกหนึ่งปีเนี่ยมันชัดเจนน่ะก็กลัว กลัวนี่พมันก็ชัดเจนน่ะแหละอะไรน่ากลัวมันก็น่ากลัวและของของอัลลอ์นี่ถ้าทำแบบนี้เขานรกนะถ้าทำแบบนี้อัปยศนะวันเกียรมาเนี่อัปยศนะไม่เชื่อเหรอไม่มีผลกระทบกับระบบชีวิตของเราบ้างหรือเราสอนลูกเราอะนะเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวใครมาจับตำรวจ ไม่ีบ้างอ่ะไอ้อาแบบนี้นะดีอัลลอฮ์โกรธนะดีอัลลอฮ์ไม่รักนะไอ้ทาแบบนี้นรกนะนรกเขานรกนะเดี๋ยวอัลลอฮ์จับเขานรกเลยนะอย่าโกหกนะอย่าทำแบงนี้นะม่ลุมมินอัลลอฮิมิอาซิมไม่มีละทวันกี่มาบบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه แ <ؤ> ะ تعالى มาแล้วเนี่ยไม่มีผู้คุ้มกันพวกเขาให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้คานี้เนี่ยประโยคนี้คล้ายมากเลยนะครับที่ ท่านนาบีนูฮ์พูดกับลูกชายที่ไม่ยอมศรัทธาและพอน้ำท่วมแกก็ปีนเขานี่ขึ้นเขากอจะเสอวีอีลาเจลยาซิมูนีมินเอลแอพ่อจ๋าฉันไม่ขึ้นกระเรือของท่านหรอกฉันจะขึ้นยอดเขานี่ยาซิมูนีมินเอลมะคุ้มกันฉันให้พ้นจากน้ำท่วมท่านนาบีนูฮ์บอกว่า ทาละอาสีมาเดียวม์จินอัมร์ลลอฮอิลามรรหิมละอาสีมไม่มีใครจะคุมกันในวันนี้จากบัญชาของอัลลอ์นอกจากที่อัลลอ์เมตตาเท่าน ن ن ة, ن ن ั้นจึงต้องเข้ามาอยู่ในความเมตตาเรือท่านนบีนูนี่ก็คือความเมตตาของพระเจ้าเช่เช่นหลักการศาสนาทุกยุคสมัยนี้ก็คือเรือ เรือแห่งความเมตตาเนี่ยถ้าเราอยากจะอยู่ในความเมตตาไม่ไม่ได้รับความคุ้มกันจากอัลลอฮฺสุบฮานาวดาลก็พยายามนี่ไะอยู่อยู่ในกรอบของหลักการไหนมากที่สุดอันเกียมาเนี่นะสิ่งที่จะมาคุ้มกันปกป้องเรานี่ก็คือก็คือการการงานที่ดีของเราเกียร์มาในเริ่มตั้งแต่ ก, กุโบ่เฉะนัหนมีฮาริสูบ ท, ที่ ท่านนบีสุลต่านบอกว่าเราน่ยพอังในคุบโบแล้วเนี่ย <c oughs> มากาที่จะมาเริ่มลงโทษล็อตแรกในคุบโบมีการลงโทษล็อตแรกก่อนวันเกียมานะในคุบโบจะมาลงโทษด้ดานศีรษะนบี บ, บอกว่ามีละหมาดก็จะมาคุมกัน มาลงโทษด้านขวานี่มาด้านขวานี่จะมาลงโทษสกาด ก, ก็จะคุ้มกันมาลงมาด้านซ้ายนี่ก็จะมีทำความดีสบกจะมาด้านขานี่ก็จะมีเรื่องทำความดีช่วยเหลือคนอื่นและนบีก็ได้นับความดีหลายสิบอย่างอ่ะที่จะมาช่วยคุ้มกันในกโบคนเกียรมากก็เช่นเดียวกันคุ้มกันแม้แต่ความดี คะแนนเดียวถ้ามันหนักในตราชั่งมากกว่าคะแนนความชั่วนะทำให้เรานี่รอดคือคุ้มครองเรานี่ให้รอดไปเลยอะ่ะซึ่งการชั่งคะแนนดีกับคะแนนชั่วเนี่ยอันนี้นยมันเป็นช่วงก่อนที่เราจะสัมภาษณ์นะอันนี้อันนี้สอบข้อเขียนชั่งก่อนเอาความดีเอาความชั่วมาชั่งความดีถ้าความดีหนัก กว่าความชั่วเนี่ยอันนี้สบายเลยสบายเลยหมายถึงว่าเป็นชาวสวรรค์หมายถึงว่าเข้าวสวรรค์จะถูกลงโทษไหมเมบี Maybe. อาจจะแต่ส่วนมากนี่ไม่ถ้าคะแนนดียิ่งๆแต่หนักมา ก, ก น, นะอาจจะไม่เอาแล้วจ้าคะแนนชั่วหนักกว่าคะแนนดีอันนั้นนะเสียง ถ้า Allah ไม่เมตตาถ้า Allah ไม่ให้อภัยโทษถ้าไม่มีใครช่ฟ้าไม่มีใครมาช่วยหรืออะไรเลยนะอาจจะต้องไปชําระในนรกเสียก่อนอาจจะแล้วคะแนนความดีคะแนนความช่วนี้สีูููู่่่่ีซีนะแล้วก็ดีนี่มันหนักไปหนึ่งคะแนนนะเข่งร้อนกันคดูดิเคียงร้อนเหมือนกัน ตอนที่พวกเราทำคะแนนความดีทำความดีสักอย่างหนึ่งเนีน่ยนะคุยกับตัวเองว่อย่าดูถูกนะไอ้ความนี้เนี่ยแกอาจจะรอดนี่เพราะพอตัวนี้แหละบริจาคบาทหนึ่งบาทเดียบาทเนียพูดยังงดีเนี่บาทเนียบาทเดียมันจะช่วยอะไรบาทเนียบก็บาทเดียวนี่แหละ ที่อาจจะทําให้ตาช่างนี่หนักไปนิดหนึง่งรอดนี่อาคีน่าของอัลลอฮุซนออุลจะมานะถ้าคะแนนถ้าตาช่งนางคะแนนความดีนี่หนักไปหนึ่งคะแนนเนี่ยมากกว่าคะแนนความชั่วนี่นะรอดเพรนั้นมีความหมายอะไรเรื่องช่างช่างหรือไม่ช่างแต่จะมีอีกช่วงห น, น, นึ่งในช่วงสัมภาษณนะ์นี่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยอันนี้เนี่ย มันจะมีอะไรที่ต้องเคลียบางอย่างต้องเคลียเราอาจจะรอดก็จริงนะนะแต่มีความช่วยที่อัลลออยากจะตำหนิหน่อยหรือเราอาจจะแบบว่าโอ้รู้สึกว่ารอดแต่แบบว่ารอดแบบก็คงอยู่สวรรค์ น, น, น่าจะชั้นชั้นใต้ถุนเ <laughs> พราะ้าอแบบแบบนี้เนี่ยไม่ต้องฝันนะนะไปอยู่เอะ๊ะย่าว่าจะไปอยู่กับ เอ็มดูใจเมียกับอามาอิเนี่ยคับมาส า, าบานบเนี่ยไม่ต้องคุยนะเอ็มดูใจเมียไม่ไม่ต้องคุยคงใต้ถุนน่ะใต้ถุนสวรรค์น่ะที่จริงเนี่ยถ้าเขาให้อยู่อยู่นอกสวรรค์นเนี่ยริมประตูเนี่ยก็โอเคขอยาย้เข้านรกแค่นั้นแหละแต่ไม่ตอนสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะมีข่าวดีก็ได้แต่ข่าวดีมันก็ต้องผ่านตํานิหน่อยผ่านสอบสวนหน่อยอะไรหน่อย เรื่งอันนี้สอบสัมภาษณ์เอาวันเกียรมานี่นะถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีความดีเนี่ยแม้ก็ต้งคะแนนเดียวนอะไม่มีใครคุ้มอะไรจะคุ้มกันนะรู้ไหมพ่อผมเป็นใครอะ่ะรู้ไหมมีคลิปอยู่อันหนึ่งผมสะใจมากเลยรู้ไหมพ่อเป็นใครทำไมแม่ไม่บอกอะ่ะ ใจมากเลยไอคนที่ชอบใช้ประโยคเนี้ยถามตำรวจรู ian, ้เไหมว่าฉันเป็นใครไม่รู้แม <ors> ่ไม่ได้บอกอะอวันเกมาเนี่เส้นสายนี่มันจะแช่อะไรได้ล่ะพ่อเป็นใครอเคยมีเส้นสายเคยอยู่ในโลกนี้ยังไงอะมีสตังแค่ไหนมีอะไรมีอาวุธมีอะไรเนี่ยวันเกียร์มายป็นไงข้อเท็จจริงไม่ละหุมมิ่นอัลลอฮิมินาซไม่มีอะไรที่จะคุ้มกันพวกเขา ให้พ้นจากอัลลอ์พระอำนาจของอัลลอ์ในวันเกียรมาเนี่คือเบ็ดเสร็จแล้วทุกอย่างเบ็ดเสร็จก่อนที่จะเริ่มการสอบสวนก่อนที่จะเริ่มชั่งน้ำหนักความดีความชั่วนี่อัลลอ์จะลากสั่งมาไลาก้านี่ให้ลากขอ ก, ก็นรกนี่จะมาพร้อมอลุกโซ่นี่สิบสอง สิบสองเส้นและแต่และเส้นเนี่ยมีมล า, ายกาเนี่เป็นเป็นหลายล้านท่านแล้วมล า, ายกาแต่และท่านเนี่ยมีเรื่องไหนแค่เห็นภาพนะรกกาลังถูกลากมาอย่างเงี้ยจบแล้วนะใครที่เคยอ้างอำนาจอะไรแล้วแล้วก็เราเคยกลัวมันมใครที่เคยกลัวใครแล้วก็เคยเคยคำหนึ่งถึงเขานี่นะจบแล้วนะพอเห็นวงเกียร์มาเนี่นะ วนเกมานี่ลีมันลมุนคุเลียวอำนาจนะวนี่เป็นของใครไม่มีใครจะกล้าตอบเพราะเราจะเห็นนะบรรดาผู้อธรรมบรรดากษัตริย์บรรดาบรรดาพวกอลังการนั่งหลายอันนั้นก็ยืนข้างๆเรา n หละอยู่กับเราน n i ละรอคิวเท่านั้นนะใครจะคุ้มกันล่ะนอกจากอัลลอฮฺสุบัยนะฮฺอัลลอฮฺ ทำสัญญามั่นกับออนไลน์ในโลกนี้ด้วยการทําความดีลายสร้างความเชื่อว่าความดีที่เราทำเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่จะมันที่มันจะคุ้มกันที่มันจะคุ้มครองพวกเราความดีมันมันเป็นการทําประกันที่แท้จริงคนนี้ทําความชั่วนี่ก็อนนมาอุกชีตุูหูหุมกิตะฮ์มมินะล่ลิมุสลิมะเสมือนว่าใบหน้าของพวกเขา ถูกคลุมไว้ด้วยส่วนหนึ่งของกลางคืนอันมืดทึบหมายถึงว่าหน้าเขานี่จะคําจะดำเนี่ยเหมือนเหมือนความดำดำความมืดของกลางคืนเนี่ยมันถูกคุมไปหน้ามันอันนี้เราได้อุปมาความมืดของกลางคืนเนี่เหมือนเป็นสิ่งที่มีสีมีมีสิ่งที่สัมผัสที่สามารถมองเห็นได้ แต่อย่างที่บอกนี่ความมืดนี่ก็คือความไม่สว่างไงความมืดคือความไม่สว่างความไม่มีโน้ตไม่มีรมัศมีแต่บางทีเนี่ยมันมืดทึบอ่ะมันมืดแต่เหมือนเราเข้าห้องเนี่ยมันเข้าห้องช่วงแรกนี่คือมองไม่เห็นอะไรเลยแต่พออยู่สักพักนึงก็เริ่มเห็นละอะ่นี่โต๊ะอยู่ตรงโน้นนี่อยู่ตรงนี้แต่ตอนเข้านี่มืดยังไงมืดแบบว่าตาเราดวงตาเรายังปรับตัวไม่ได้ไง ม, มืดทึบเลยนึกภาพดิพอเห็นคนคนน่น่ลนะ มีแต่ความมืดของกลางคืนเนี่ยมันคลุมหน้าแสดงว่าไม่มีใบหน้าดิจมูกก็ไม่เห็นนะจมูกอยู่ไหนอ่ะความมืดเนี่ยกลางคืนน่ะกลางคืน่ะเอามาคลุมหน้าคลุมหน้าเห็นจมูกเห็นตาเห็นอะไรมันไม่เห็นเลยมืดอย่างเดียวหน้าตามันจะเป็นยังไงอุไรกัสฮาวุนนาริฮุมฟิฮะคาลิดุนชนเหล่านี้คือชาวนรกพวกเขาจะอยู่ ในนั้นตลอดการข้อฤดูนี่แหละครับคือคําถามที่พวกเราต้องทุกคนในต้องถักตัวเองชาวสวรรค์กับชาวนรกนี่เราอยู่ในคุมไหนกันแน่เราเป็นอาสาบุญเนนี่ยหรือเป็นอาสาอาสาบุญนรกอาสาบุญใจเราเลือกจะอยู่อยากจะอยู่กับชาวสวรรค์เราก็ต้องรับคนที่น่าจะเป็นชาวสวรรค์ คนที่เรียกร้องสู่สวนสรรค์นบีได้บอกว่าวันเกียร์มาเนี่ก่อนวันเกียร์มาเนี่ยก่อนวันสิ้นโลกนี่ก็จะมีผู้เรียกร้องสู่นรกตัวาตัวละอบูาบีจฮันนัมมันอัจจะมุมอิเลียห์ขจะฟูฟีฮ์คนเขาจะเรียกร้องสู่จัฮันนัมผู้ใดที่ตอบรับเขาเขาจะจับโยนนรกเลยนี่เป็นอุปมาณะนบีหมายรวมว่า จะมีคนที่เรียกร้องสู่การกระทาอันที่จะนําไปสู่ไฟนรกความชั่วแล้วบุคคลที่ตอบรับเขานี่นะเขาก็จะจับโยนนรกก็หมายถึงว่าคนที่ทำกระทาความชั่วเหล่านั้นนะ่ะก็จะเขาน ร, รกแสดงว่าคนที่เรียกร้องสู่ความชั่วนั้นนะ่ะคือเรียกว่าเซลล์เซลลของนรกคนกาลังขายนรกให้เรา Hmm? จะเลือกเพื่อนจะเลือกคู่ครองเลือกสามีเลือกภรรยาที่จะมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาและคนที่จะมาเป็นเพื่อนคำานึงถึงเรื่องนี้เขาน่าจะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกเขาเรียกร้องสู่สวรรค์หรือหรือจะเรียกร้องสู่สู่นรกจุดนี้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่จะเมกง่ายนะครับสําหรับคนแต่คนส่วนมากนี่เขาเขาจะมองไม่เห็นเนี่ยประเด็นเนี้ยเพราะเขาไม่ได้ตั้งเป็นประเด็นมากนะักจะเลือกใครมาเป็นเพื่อนจะดูเรื่องสวา่างเรื่องนรกเขาไม่ดูหรอกเขาดูาแต่งตัวยังไงเขาพูดใจยังไงเขาสถานะเขายังไงเขาเก่งไม่ไม่เก่งเขาพูดเก่งน่าสนใจไม่น่าสนใจหน้าตาดีไหม อะไรเงี้ยคนที่คนสวนมากเนี่ยเขาจะดูแต่จะดูเรื่องอ่ะดดูดู ด, ด, ดขอดูก่อนเขาละหมาดไหมมารายาทเขาเป็นยังไงเขามีอมามำนาจไหมเขาพูดใจยังไงกับพ่อแม่มารายาทเขากับพี่น้องของเขาเป็นยังไงการตรวจสอบคุณสมบัติแบบนี้ ต้องเป็นเครื่องมือของผู้ศรัทธาตลอดเวลานะครับท่านอะบิสอโลลลอฮฺของเราอยู่สักเ ล, ลมเนี่ยเวลาตูซาะให้อิลเลมูมินะจงอย่าได้ยึดเอาใครเป็นเพื่อนนอกจากจะต้องเป็นผู้ศรัทธาคนที่เป็นเพื่อนสนิทใกล้ตัวเราเนี่ยคนที่เป็นส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณของเราเพื่อนเพื่อนรักของเราเนี่ยต้องเป็นผู้ศรัทธา ว่อะไรฮะคุณต่อว่ามั ل คิลเลตเราจะสร้างอาหารกินจะทำอะไรกินเนี่ยทำให้คนที่มีตะ ก, กววคนที่มีความยยมเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้าจะเลี้ยงอาหารคนอื่นเนี่ยที่ไม่มีตะ ก, กววนี่ได้แต่เราไม่ต้องพิถีพิถันอะไรให้ให้เขาขนาดนั้นคนธรมธรมดาธรรมดานี่ก็ทำอาหารให้เขาได้นะกินกับเขาได้แต่คนที่เราจะ เหมือนเราเราจะเลี้ยงอาหารดีๆสําหรับคนที่เรารักใช่ไหมกันนี่ก็เหมือนกันแต่ น, นบีกําชับบอกว่าต้องเป็นคนที่มีตะ ก, กวัวนะถ้าไมล่ะท้าไม่ล่ะเราทําความดีกับกับชาวสวรรค์ไยอูสัตตาภูมิลันตะ ก, กี้ผู้ที่มีตะ ก, กวัวนี่ชาวสวรรค์เนไีไยแต่ถ้าเราทําความดีกับชาวสวรรค์เ น, นี่มันเป็นโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะซาฟาเราเนี่ยจะช่วยเหลือเราคนเกียร์มัให้เราได้เป็นชาวสวรรค์กับเขาด้วย มีคาถามไหมครับอตาทาดีคะแนนเราจะทวาชั่วไม่ตงแต่นการทความชั่วที่ไม่กาองทอบ่ยมันก็มันก็คะแนนหนึ่งคะแนนเหมือนกันแต่ขนาดมันอะไม่เหมือนกันก็เหมือนความดีแหละความดีอ่เช่นก็เหมือนทำความดีเหมือนทำความดีที่นี่กับทาความดี ที่มักกมันก็คะแนนความดีหนึ่งคะแนนแต่ขนาดน้ำหนักของมันนคุณค่าของมันนี่มันก็ใหญ่กว่าที่นุ่งก็เหมือนกันถ้าทําความชั่วที่เรากทำทํากันที่นี่นี่นะก็จะเป็นความชั่วเท่าเท่อกับคนความชั่วเหมือนกันแต่ขนาดของมันเนี่ยมันอาจจะหนักน่วงกว่าแต่มันก็ยังถูกนับเหมือนกันเพราะหลักฐานที่พูดถึงมาตรฐานนี้เนี่ยก็ทั่วไปทุกสถานที่เหมือนกันหมดแต่จะมีหลักฐานที่บอกว่า การตอบแทนเนี่ยจะตอบแทนจะถูกลงโทษมากกว่านี่เนื่องจากว่าบาปนี่มันจะใหญ่ด้านขนาดไม่ชี้ปริมาณและจํานวนซึ่งเป็นไปได้หมายถึงว่าตัวตัวบาปที่เราทําที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นบาบเล็กพอไปถึงทนู้นก็เป็นบาปใหญ่แต่ก็เป็นหนึ่งบาปใหญ่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลายบาปนะครับการกราบละหมาดสามารถที่จะละหมาดเป็นในรูปของการละหมาดเจ้าหมาได้เช่นกรณีที่ว่าเรา ทุกคนเราทั้งหมดถึงละบาฮ์ผ่านกันหมดได้นบีเคยทําก็คือนบีเคยไปทําสงครามครั้งหนึ่งแล้วก็ <c oughs> จะไปเดินทางกลางคืนแล้วก็เพพักผ่อนที่หนึ่งช่วงกลางคืนพอตื่นมาก็ตื่นมาดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นละซุโบนีผ่าดแล้วเวลาละนบีก็เลยละบาฮซุโบกับซาฮาบะทั้งหมดจะมากันทําได้ครับตอนนี้ที่เราละบาฮ์เราสปมะเนร์ทำบาฮ์แล้วก็เกิด อิหม่ามเกิดเป็นตุเลมเล็กเสียอย่างเงี้ยครับเราจะต้องเป็นไปยังไงเราต้อง่ประมาณผู้ที่อหม่ามบอกพรือว่าเป็นการพัฒนาเนี่ยคือกรณีถ้าคนคนข้างหลังในอิหม่ามเป็นลมเนี่ยอิหม่ามจะนําอะไรแนะนําอะไรไม่ได้ไงต้องมีกลุ่มหนึงช่วยอิหม่ามไม่สิทิ้งอิหม่ามเนี่ยเป็นลมเนี่จนต้องมีคนช่วยอิหม่ามเนี่ยพาเขาอุ้มเขาไปช่วยแล้วก็พวกนี้ก็ค่อยมาละหมาที่หลังแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่รู้ตัวนะนะว่ามีใครที่นะใครที่ ควรเป็นอิหมั่มนี่ขึ้นมาละหมาดต่อแต่ถ้าในกรณีที่อิหมั่มนี่ยังรู้สึกตัวแล้วก็สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยอิหมั่มนี่ก็จะเป็นคนเลือกเอาคนนี้มาขึ้นแล้วก็แล้วก็เขาก็จะไปทุระไปสงวนเสียน้ําละหมาดหรือหรื อ, รอมีแผลเจ็บแผลหรืออะไรสักอย่างนึ่ง น, นะเขาก็ไปหลงเขาได้ถ้าเขายังยังทําเองได้อิหมั่มก็จะเป็นคนที่ทําแนะนำบางทีในอิห ม, มั่มอิหมั่มนี่อยู่ในสภาพที่แบบว่าอย่างเงี้ยเป็นลมอย่างเงี้ย คนก็บางก็เออจะจะออกจากกิรมออกสิออกจากกิรมานแต่บางคนก็ไม่จะออกจากออกิรม า, แานออามาแ้วก็ช่วยก็ได้ไงแล้วบางทีในคนข้างๆนี่ก็เป็นลมอย่างเงี้ยมองมองเ <c oughs> ขาเป็นลมอ่ะบางทีเนี่ยเป็นลมเนี่ยหัวกระแทกเลยหัวาฟาดฟาดพื้นเลยเร า, เาก็น่าสงสารจะไม่ออกจากกิรมานนะ ม, น ม, มันไม่ควรไงช่วยก้มไปช่วยออกจากกิรมาดออกสิออกช่วยคนนะ่ะ ใช่ไหมเหมือนอันเนี้ยสัมผัสผู้หญิงผู้หญิงที่ไม่นจะว่าเราสัมผัสไม่ได้ใช่ไหมบางทีนี่ก็เจอโตเจอป้าเจอใครนี่จะข้ามถนนก็สงสารอยากจะช่วยเขาบางทันนะ่ะสัมผัสผู้หญิงไม่ได้ได้ในกรณีแบบเนี้ยเนี่ยกรณีช่วยคนอื่นนะ่ะได้อนั่งรถเมย์อย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้หญิงก็จะล้มละ เป็นสาวด้วยอ่ะไม่จับไม่จับไม่จับไม่ไม่ไม่ยุ่งแ้่ให้มันล้มอ่ะให้คนล้มแล้วก็โดนนี่นั่นไปเลยนะไม่ก็จับจับจับแล้วก็จับของคนลุกแล้วเนี่ยกิดกิดจบบาปมันไม่บาปสิเราช่วยเขาไงทํายังไงอ่ะเรารูเราหนีความจําเป็นเนี่ยเหมือนเรื่องเรื่องในละหมาดเนี่ยแล้วก็ออกจากละหมาดนี่บาปนะฟารดูนี่ออกจากละหมาดนี่บาปแต่ถ้ามีความจําเป็นแบบนี้เนะี่ยบุญดิช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นบุญ ตอนคิดตูออมรุนรุขนขต้อมเี่ยถูกสังหารน่ะคนคนี่นนนนข้ามซอบนี่เนี่ยเอามีดเนี่ไปแทงท่านออมรินรุนขต้อมนี่แล้วจะมีใครช่วยละ่ะทายังไงก็มีในะเหตุการณ์นี้กนะ็มีคนที่อุ้มท่านออมรุนรุนขตอมเนี่ไปช่วยแล้วก็มีคนขึ้นไปแล้ละหมาดละหมาดละหมาดต่อก็มีเห็นไหมนี่คือระเบียบของวินัยของคนในสั ง, งคมจะใครจะถามนะครับอาเซ็กต์อยากทำองก็ เป็นรสชาติพิเศษตามเทศกาลต่างๆครับเหมือนพอเทศกาลที่โผลขึ้นมาแล้วมันก็จะมีรถอื่นๆซึ่งเราไม่ได้ซึ่งหากินได้ไหมแล้วก็มันมันจะเข้าขายเกี่ยวข้องกับประเพณีของต่างศาสนาไหมมันก็บบายีเหมือนอาวุธไทยถ่างมาจัดโชว์ตั้งแต่ก่อนอาวุธไทยแต่ว่ามันก็มีรถสีน้นสีนั้นสีนี้มันเพิ่มมาแบบช่วงประเถ้าเราไปกิน หรือใช้สินค้าอะไรในช่วงนั้นนะ่ะและเกรงว่าจะถูกมองว่าเรามีส่วนร่วมกับเทศกาลนั้นนั้นนะครับก็ไม่ควรไปยุ่งเลยสมมติว่ามี เ, เทศกาลไหว้ไหว้ดวงจันทร์เนะขาเรียกกันพระจันทร์ไหว้ดวงจันทร์และมีขนมขนมพระจันทร์ใช่ไหมเออยางันด้วยนะ สิงคโปร์นี่เพียบเลยเนี่ยขนมประจันรมีฮาลาสเนี่ยเพียบเลยอ่ช่วงทิ่สาการนั่นน่ะอาจจะมีถ้าเราถ้าเขากำลังฉลองกันทีสาการ์นี่แล้วก็เราม า, มากินเนะ่ยมันก็เแสดงว่าคุณมีความเชื่อใช่ไหมกินขนมขนมประจันร์แบบที่แสดงว่าคุณเชื่อว่ากินแล้วแล้วจะมีมีสิริมงคลมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอจาจจะได้ป้องกันเรื่องความเชื่อนี่ก็ไม่ต้องกินแต่ถ้าหากว่ามีเวลาอื่นนี่มีคนเขาทาอย่างเงี้ยเอ ซื้อได้กินได้ไม่มีปัญหาคือ ต, ตัวอาหารถ้ามันฮาราล์แล้วนะไอความเชื่อของคนอื่นนี่มันก็จะไม่กระทบความเป็นฮาราลของมันแต่ขออย่าให้อย่าให้มีเงื่อนไขด้านเวลาสถานที่คุณลักษณะอะไรความเชื่อที่มันอยู่ในในตัวนั้นนะ่ะกุหลาบนี่ฮาราลไมล่กุหนะลาบมีก่อนวายเดนทายนะกุหลาบแดงอ่ะมีก่อนวานเดนทยใช่ไหม แล้วคนก็แปลกนะครับกุหลาบนี่ต่ซื้อช่วงเดือนกรกฎาคมอย่างเงี้ยดอกละห้าบาทแต่มาช่ชวงวันวาเลนไทน์นี่ดอกละร้อยดอกละเฮะ้ยเส้นละร้อยสองขอนพลาสติกด้วยนะไม่ใช่ของจริงนะไม่เอาแต่ซื้อช่วงนีชง้ช่วงช่วงวัาเลนไทน์แล้วทำไมล่ะมันก็อาจจะมีข้อสงสัยที่จริงเนะถ้าตามเทศกาลเนี่ยควรที่จะทําอะไรที่สวนทางคนจะได้ไม่ไม่เข้าใจว่าเราเอาด้วยกับเขาไง ถ้าวายเลนท้ายนี่ก็ซื้อดอกกุหลาบขาวก็ได้กุหลาบขาวเหลืองก็ได้ถ้าเรืองเหมือนถ้าเป็นพวกเครื่องดื่มเนี่ยทําทบางในร้านมันจะอยู่ในแก้วสีทึบอะครับแล้วมันแบบขายในช่วงมันพอดีเนี่ยที่เราดื่มได้แบบเหมืไม่รู้ไม่เก็ตสีทึบนี่มีมีอะไรปะไม่เข้าใจแต่ว่าคือมันเป็นน้ําที่เป็น เมนูพิเศษของเทศ ก, กาล<อ>แต่ว่าเครื่องมันอยู่ในแก้วสีลึกก็คือมันก็ไม่มีใครเห็นว่าเรากินอะไรแต่เคยถามว่าเราจะกินได้ไหยครับถ้าไม่มีใครรู้ก็ไม่ไม่มีปัญหาแต่คนที่รีนให้เนี่ยเขาไม่รู้เหรอตอนนี้ผมไม่รู้นะทีเแถวละเอียดมันยังไงนมไม เ, น, ไงเากกานี่ผมไม่รู้ไงว่าอเดมมีเครื่องดื่มประจําเทศกาลด้วยหรือนี่ผมไม่รู้อ่าผมยกตัวอย่างเหมือนโตู้ต่อบิน ร้านคาเฟ่อะไรแบบ้เต อ, อก็จะมีแบบเมนูที่เขาทาเป็นปรสชาติพิเศษของเทศกาลนี้อ๋อแล้วก็ตั้งชื่ออะไรงี้หน่นเมือ่นในท้าที่ผมาก็จะมีแบบกาแ ฟ, ฟสตรอเบอรี่อะไรบ แ, ะสสแบบนี้แล้วก็แนี้อกสงสัยว่าเรากินแน่ไหมอ่ันเป็นสัญลักษณ์หมถ้ามันเป็นสัญลักษณ์ทั่วไปเนี่ยว่คนที่กินนี่ก็คือคนที่อินกับเทศกาลคนที่เอาด้วยกับเทศกาลก็หลีกเลี่ยงดีกว่า ถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันนะครับการกระทำของมุจจรยนี้เนี่ยมันเสมือนกับการโพสต์หรือการลงสตอรี่ในในเรื่องของความวที่เป็นบาปใช่ถ้ามันเป็นบาปนะลงสตอรี่หรือโพสต์อะไรที่มันเป็นบาปเช่นไปเล่นน้ําทะเลใส่ชุดว่ายน้ํำว่ายน้ำที่ที่มันที่มันเปิดเผยเอาร้อยอยเงี้ยบาปอันนี้เป็นมุจจัยนี้ สูบบุรีอยู่แล้วก็ถ่ายรูปสูบบุรี่อะไรเงี้ยอันนี้มุจจาฮิริถือว่าเปิดเผยแล้วก็โ อ, อ้อวดด้วยโ อ, อ้อวดอันนี้อันนี้น่ากลัวถ้าเราเริ่มทําความดีหรือว่าเราทําความดีความดีหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เริ่มด้วยข้านำของร้อนหรือว่าการกล่าวถึงของระอนเนี่ยอันนี้จะมีข้อบกพร่องตรงไหนไหครับไม่ไม่มีไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่ใช่ทุกความดีที่ต้องเริ่มด้วยบิสมิลลาไม่ใช่ทุกความดี อะไรที่เป็นอิบาตด้าที่มันเป็นเงื่อนไขอย่างเช่นอานัละหมาดทัศนอิมอ a นี่เขาบอกว่าต้องบิสมิลลาห์นะไม่บิสมิลลาห์อาจจะไม่ซอนะแต่อะไรที่มันไม่เป็นหลักฐานนะแม้การอ่านนละหมาดในทัศน์มัซฮบอื่นเนี่ยถ้าไม่กล่าวบิสมิลลาห์่านเนีมัซฮบอูฮานฟาเี้ยอ่านนงละหมาดไม่กล่าวบิสมิลลาห์นี่ซ้อแลวไม่บกพร่องเลยเพราะเขาเหมาะเขามองว่าการอ่านนละหมาดมันไม่ใช่อิบาตด้เอกเทศมันก็คือการทำความสะอาดก่อนเข้าละหมาดอีกขนาด อาในละหมาดนะเขายังมองว่าบิสมิลลาห์นี่ไม่จาเป็นแล้วแล้วก็เรื่องอื่นล่ะเนี่ยบางฮาดีนี่จะจับกล้องถ่ายบรรยายบิสมิลลาห์ถ้าไม่กล่าวบิสมิลลาห์ไม่ได้ผละบุญลหไม่ใช่แต่ความดีความดีเนี่ยบิสมิลลาห์มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขเสมอนะอัลลอฮัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอลลอัลลอฮอัลลอฮฺอัอฮฺอัลลอฮัลลอลฮัออัลลอัลอล